สิขาบทวิพังห้าร้อาคำว่าก็แก่ภิกษุผู้เดินทางไปได้แก่ภิกษุผู้เดินทางคำว่าขนเตรียมเกิดขึ้นคือเกิดจากสงจากคณะจากญาติจากมิตรหรือที่เป็นของบางสุคุนหรือได้มาด้วยทรัพย์ของตนคำว่าต้องการคือเมื่อต้องการก็รับไว้ได้คำว่าครั้นรับแล้ว พึงนำไปเองตลอดระยะสาโยชน์เป็นอย่างมากคือนําไปเองได้สมโยน์คาว่าเมื่อไม่มีคนนําไปให้ความว่าไม่มีคนอื่นคือสตรีบุรุษเครือขัดหรือบรรพชิตคอยช่วยนําไปคําว่าถ้าเมื่อไม่มีคนนําไปให้นําไปไกลกว่านั้นอธิบายว่าภิกษุย่างเท้าที่หนึ่งผ่านสามโยต์ไปต้องอบัตทุกกฎย่างเท้าที่สองผ่านไป คนเจียมทั้งหลายเป็นนิสกีภิสษุยืนอยู่ภายในระยะสามโยน์โยนขนเจียมออกนอกระยะสามโยต์ขนเจียมทั้งหลายเป็นนิสกีพิสษุซ่อนคนเจียมในยานพาหนะหรือในห่อของของผู้อื่นที่เขาไม่รู้ย่างเท้าไปเกินสามโยน์ขนเจียมทั้งหลายเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงสละคนเจียมที่เป็นนิสกีอย่างนี้